สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอนํารายการธรรมาราปุลมาเปิดรายการในเช้าวันนี้เหมือนเช่นเคยนะคะรายการธรมรมารบรุลมีให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นประจำทุกวันค่ะโดยมีเพลิดเพลินพระอาจารย์พิบูลย์พิบุโนซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมปริกเล้นตามพุทธโอษฐ์ของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตําบลดอนหายโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีน่น เลยนะคะแต่ท่านก็เมตตา ม, มาเป็นองค์ป่าทกประจํารายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นประจําทุกวันค่ะซึ่งแต่ละวันนั้นท่านก็จะมีสาระต่างๆกันไปรวมทั้งเชิญชวนของการปฏิบัติธรรมบ้างตอบปัญหาที่ท่านผู้ฟังทั้งบ้านถามมาบ้างแล้วก็นําพุทธโอษฐอะไรต่างๆมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจําแต่เราพบกันในเช้าวนันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน คือเป็นวันขึ้นสิบสอง่ำเดือนสิบสองแล้วนะคะก็จะถือว่าปีนี้ยังเป็นปีมโรงอยู่ก็จะเป็นช่วงของการสากชาหรือสนทนาธรรมะ ซึ่งในเช้าเมื่อเช้าวานนี้คือว่าเช้าวันเสาร์นี้ที่ผ่านมาได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ภัยบูลอภิปุณโนท่านได้มาพูดและตอบคําถามที่เรนได้กราบเวียนถามท่านเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราซึ่งเป็นคารวะธรรมดานั้นเนี่ยถ้าประพฤติปฏิบัติธรรมให้มีศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์ตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธ เ, เจ้าได้ทรงชี้แนะไว้แล้วนั้นเนี่ยเราสามารถไหมที่จะบรรลุ เป็นพระอารหันต์หรือที่เรียกว่าไปถึงวิมุตต์คือความหลุดพ้นซึ่งคำตอบก็คือ ทำได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ในขั้นตอนก่อนที่เราจะไปเป็นพระอรหันนี้เนี่ยก็จะมีขั้นต่างๆเช่นเป็นโสดาบันเป็นอนาคามีย ส, สกิทาคามีพระอราหันอะไรต่างๆเนี่เจ้าค่ะก็เลยอยากจะขอนำท่านผู้ฟังนั้นมากราบนมัสการเรียนถามจากพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนโแล้วก็รับความกระจ่าง ก, กันในเช้าวันอาทิตย์นี้เลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ข อ, อความเมตตาพระอาจารย์ได้สักฉาในประเด็นนี้เจ้า ว่าถ้าหากว่าคนธรรมดาเรานี่แหละประพฤติปฏิบัติต่างๆมาแล้วเนี่ยพอมาถึงเรื่องของการที่จะเป็นโซดาปฏิผลปฏิมาอะไรเนี่ยเจ้าค่ะอ า, าจารย์ช่วยชี้แนะตรงนี้นิดนึงเจ้าค่ะเผื่อว่าจะได้เป็นกําลังใจกับญาติโยมทั้งหลายที่เป็นแฟนรายการธรรมารัปยุลว่าเราเดินทางมาถูกทางแล้วแหละทางสุดท้ายของเราก็คือมุ่งสู่การหลุดพ้นหรือวิมุติและ เป็นพระอรหันเราสามารถทําได้แม้ว่าเราจะเป็นคารวะเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะกลุ่มบุคคลที่เป็นโสตบันเป็นอะไรพวกเนี้ยนะเจ้ะกนมีสกนธ迦มีพระอรหเนี่ยพระเจ้ารวมเรียกว่าอริยบุคคลก่อนเราเราพูดถึงวงกว้างก่อนเจ้า่ะพูดถึงอริยบุคคลอริยบุคคลแปลเป็นภาษาไทยว่าบุคคลอประเสริฐคนที่ประเสริฐนะคือบุคคลที่ประเสริฐเนะี่ยพระเจ้าพูดไว้ไวไหลายนัยยะนะหลายนัยยะมากๆเลยนัยยะหนึ่งที่เราได้ ที่เราพูดถึงกันคุณใจก็พูดเป็นสักู่ก็คือความเป็นโสดาบานสกาาัตถะคามีนาคามีอารา่าม <Okay. S 2> ันนี้คือในยัดหนึญญ่งของความเป็นอรารยะบุคคล <Okay. S 2> นะอริยะบุคคลคนประเสริฐ ท, ท, ทั่วไปที่เราเห็น <Okay. S 2> เห็นเขาอาจจะไม่ได้เป็นโสดาศกิทาอะไรพวกนี้ก็ได้แต่ <Okay. S 2> แต่ว่าเป็นคนที่มีศีลก็มีบางทีนน <Okay. S 2> ผู้ชอบพูดถึงคนที่มีศีลมีสังขาวัตถุศีมีความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่พวกนี้เป็นคนประเสริฐก็มีอ <Okay. S 2> นะคือ ไม่ได้ว่าจะต้องเป็นโสดาบันอะไรต่างๆหรอกรคคแต่เป็นคนดีๆนี่แหละนะหรือบุคลากรทางการแพทย์เช่นพยาบาลหมอที่ดูแลรักษาคนไข้มีฉิตเอื้อเฟื้อเหมือนเทวดายอย่างนี้ก็มีคคนันก็คือเป็นคนประเสริฐเหมือนกันคคก็มี ค, ค, นนคนประเสริฐบ้างน น, นะหรือว่าหมอที่อุทิศตน ร, รักษาฟรีให้ชาวบ้านเราก็เคยเห็นนะหรือข้าราชการที่ทํางานอย่างดีมีฉิตเอื้อเฟื้อใช้อํานาจอย่างถูกต้องเราก็เห็นนี่คือคนประเสริฐเหมือนกัน เจ้านะนายบางคนดีดีมีความรับผิดชอบมีภาวะเป็นผู้นํามีความเอื้อเฟื้อทำตามหน้าที่อย่างดีรักษาทิศตั้งของดีเป็นคนประเสริฐเหมือนกันค่ะนี้คือคนประเสริฐเราผู้พิษาไทยที่เข้าใจกันนะนะถ้าใช้กามาอรารยธบุคคลเราจะเห็นว่าโอ้เป็นสับสูงเหลือเกนินจะเป็นได้หรือเปล่าไม่ใช่เล ย, ย, ยคุณตื่นเช้ามาคุณดูแลลูกลูกอย่างดีไปส่งลูกที่ทํางานทำกับข้าให้กินเล้วฉันทําหน้าที่อย่างฉันแล้วคุณเป็นคนประเสริฐนะนะค่ะ ค น, น ป, รรรประเสริฐใช่คนประเสริฐแล<ร>้วเป็นระยะบุคออคลแล้วอ่าเป็นคนประเสริฐแล้วทีนี้ผู้เช้าเจาะลึกลงไปในรายละเอียดอีกไอ้ที่ประเสริฐประเสริฐเนี่ยมันยังไง่ก็มีระยะหนึ่งที่พูดถึงโสดาบันใช่ไหมทีนี้โซดาบันเนี่ยก็แบ่งเป็นขั้นขั้นก็มีมีสองขั้นนะผู้เช้าพูดถึงบุคคลคู่แปดนะคือสี่ขั้นใช่ไหมเป็นคู่ก็คือ8ดอย่างโสดาสี่ท่านะคะอร่ามก็จะแบ่งกันด้วย ระดับของสิ่งที่เครื่องร้ายรัฐที่น้อยๆลงไปเ <Okay. S 2> นะครื่องอคนที่ไม่ประเสริฐพผู้อื่นคนไม่ประเสริฐก่อนนะคือคนที่ไหลไปตามกิเลสไหลไปตามอำนาจของตันหะ <Okay. S 2> จะทําดีเว้ยทําไม่ได้หรอกถูกอำนาจความไม่ดียึดไว้อืแล้วคุณ<ช>ดูคนดื่มเวละด้วยอำนาจของตันหาหนีา่นคือคนไม่ดีนั่นคือคนไม่ประเสริฐคนไม่คนไม่อคนไม่ประเสริฐอ่ะ คนไม่ดีคนไม่ดีเนี่ยก็คือไหลไปตามหน้าของตันหานยังมีเครื่องร้อยรัดดึงเขาไปอยู่เพราะฉะนั้นคนประเสริฐก็คือคนที่ละเครื่องร้อยรัดได้บ้งบนงละได้น้อยที่สุดนะพุทธเจ้าก็พูดถึงโสดาบั น, นะละได้ดีขึ้นมาหน่อยก็อนาคามีละได้ดีที่สุดก็พระอาหารหันต์แบ่งแค่นี้นั่นเองเกณฑ์ในการแบ่งสกิตาคารีสกิตาคามีก็คือละได้เท่ากับโสดาบันได้บ้าง นะ <Okay. S 2> แต่ดีกว่าขึ้นมาเพราะมีราคาโทสะโมห์น้อยลงแต่พร mm hmm. นะเจ <Okay. S 2> ้าแบ่งเป็นสี่ะระดับ <Okay. S 2> ใช่ไหมแบ่งเป็นสี่คู่นะแล้วก็แปดระดับสี <Okay. S 2> นะ่คู่แปดระดับแล้วคู่ที่หนึ่งกับคู่ที่สองเนี่ยก็คือละได้เท่ากันนะแต่สกัทธาคารีจะดีกว่าโซดาบันตรงที่ว่ามีราคาโทสะโมห์น้อยลงไปด้วย ถึงแม้อนาคามีก็ยังมีราคโาโทสะโมหะอยู่อจนกระทั่งถึงว่าอาหารหันเนี่ยละได้สิบอย่างราคโาโทสะโมหะถึงจะไม่มีแต่โสดบาบันกับสกทาคามีเนี่ยละได้เท่ากันนะละเครื่องร้ายรัตนี้ได้เท่ากันแต่ว่าราคโาโทสะโมหะนี้ยังน้อยนะคือสกทาคามีจะมีราคโาโทสะโมหะที่น้อยกว่าโสดบาบันคือโสดาบันนี้ไม่ใช่ว่าละราคาโทสะโมหะได้นะยังไม่ใช่นะยังมีอยู่นะแม้อนาคาเมีก็ยังมีอยู่นะแต่ละ เรื่องร้อยรัตที่จะไหลไปตามอำนาจของตันหาและเรื่องร้อยรัตที่เข้าไปก้าวลงสู่ภพเนี่ยได้สามอย่างอ่าอย่างนี้นะเจ้ค่ะไล่พิธีระับขั้นก่อนเราเข้าใจวงกว้างก่อนคือความเป็นคนประเสริฐเจ้ค่ะนะไม่ใช่ว่าคุณจะต้องมีแสงสว่างโลดระเบิดตู้ไม่เห็นอะไรแล้วก็ลอยขึ้นเอาเป็นอาเรียบบุคคลเอาเดี๋ยวเดีเดี๋ยวมันเกิดไปนิดหนึงเจ้ค่ะเราแค่ตื่นเช้ามาคุณทําตามหน้าที่ ยิ้มยิ้มแจ่มใสใจสบาย <Okay. S 2> คุณเป็นคนประเสริฐแล้ววันนั้นออืทีนี้เอาพูดถึงไล่ ล, ลงมาคือผู้หญ้าแบ่งเป็นสี่คู <Okay. S 2> นะ่โซดาบัลเราก็ต้องจะเจาะเรื่องโซดาบันวันนี้คุณสมบัติของความเป็นโซดาบัล <Okay. S 2> นะคุณสมบัติของความเป็นโสดาบัลเนี่ยเอาไล่ไปก่อนนะมันโซดาปฏิมากกับโสดาปฏิผลโซดาปฏนะิมากกับโซดาปฏิผล <Okay. S 2> นะโซดาปฏิมร์ก็คือว่า คุณกําลังเดินอยู่บนเส้นทางของความเป็นโสดาบัน <Okay. S 2> โสดาบันแปลว่าอะไรก่อนนะโสดาบันเนี่ยแปลว่าพูดที่ถึงกระแสถึงกระแสน์อย่างแม่น้ําเจ้าพ ร, <Okay. S 2> ระย า, าเนี่ยกระแสแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยถ้าคุณเอาเรือเรือมาลําหนึ่ง <Okay. S 2> มาวางไว้มาจอดเอาไว้ตรงใกล้ๆฝั่ง <Okay. S 2> โดยที่ไม่ได้ผูกมนันเอาไว้กับตะลิงนั้นะเรือนั้นก็จะอยู่นิ่งๆบ้างหรือไหลไปนิดๆหน่อยๆ แต่ไม่ได้ไหลไปจนถึงทะเล <Okay. S 2> แต่ถ้าเราเอาเรือลําเดียวกันเอาวางไว้ตรงกลางกระแสแม่น้ําเป็นเส้นกระแสที่มันพุ่งแรงและเร็ว <Okay. S 2> ถ้าถ้าริมฝั่งแม่น้ําเนี่ยกระแสน้ามันจะไม่แรง <Okay. S 2> หรือว่านิ่งโดยเดียวซ้ำจนทั้งมันเข้ามาตรงกลางเนี่ยจนทั้งถึงกระแสเนี่ยถ้าเรือลํำนี้ตกกระแส๊บเนี่ยพุ่งนน่นเลยทะเลก็คือมาตรงกระแสตรงกระแสนี่คือจะ <okay. S 2> ออกสู่ทะเลอืเนี่ย<ช><ๆ>เราพูดถึงโซนอับัต อ <ông liebe> คือผู้ที่เข้าถึงกระแสลัจะมุ่งหน้าไปสู่นิพพานเท่านั้นนะคือผู้ตกกระแสเหมือนกันเถอโซดาบันแปลว่าผู้เที่ยงแท้ต่อปรจจิพันธ์มีอยู่ในกระแสผู้อยู่ในกระแสนะอยู่ในกระแสไปไหนอยู่ในกระแสไปนิพพานเจ้าค่ะคือถ้าพูดภาษาปัจจุบันก็คือมาถูกทางแล้วเดินถูกทางแล้วเจ้าค่ะจ้าค่ะคุณอยู่ในทางแล้วสาธุเจ้าค่ะอยู่ในทางแล้วเจ้าค่ะทีนี้ อ, อยู่ในทางก็แบ่งเป็นสองอย่างใช่ไหมคือคุณกำลังอยู่ในเส้นทางที่ไปสู่โซ ด, ดาปฏิมาคือคือเชฟพูดเนี่ยสมมติเราเป็นคนธรรมดาก่อนนะ okay. ยังไม่ได้เป็นคนประเสริฐเป็นคนอะไรเป็นคนหนาหน า, น า, น า, น า, นาเป็นคนไม่รู้เรื่องเพลินเปิดมาขึ้นนี้พอดีได้ฟังดีละคือเรากำลังจะเดินจากฝั่งฝั่งทะเลเอฝั่งก็ได้ฝั่งแม่น้ำเนี่ยกาลังจะเข้าไปสู่กระแสนี้คือคุณโสดาปฏิมาค่ะ พอคุณถึงกระแสปุ๊บนั่ น, นคือโสดาปฏิผลนะคุณกำลังเอาเรือลำนี้ว่ายหรือพายเนี่ยจากริมฝั่งแม่น้ำเข้าไปสู่กลางแม่น้ำนี่คือโซดาปฏิมาจนคุณถึงกลางแม่น้ำแล้วนั่นคือคุณเป็นโสดาปฏิผลตกกระแสแล้วตกกระแสเข้าสู่กระแสของความเป็นปฏิพะ ทีนี้บางคนนี่ไม่ได้ลงเรือด้วยซ้ําบางคนยังนะ้ําวยังไม่ตือนนัผ <c oughs> ิดศีน <c oughs> พวกนี้คือยังไม่ได้คิดว่าจะต้องไปกลางแม่น้ําไปสาม <c oughs> เพื่อจะไปสู่ทะเลนะนี่คือเปรียบเทียบบมาไว้ให้ฟังะนะการมาที่ว่าเจ้าโสดาปฏิมา ก, ก่อนเราไล่ไปทีละขั้น <c oughs> นะโซดาปฏิมาคือคุณกําลังเคลื่อนที่จากฝั่งริมฝั่งแม่น้ํากําลังจะเข้าถึงกระแสนะพอเราตกกระแสแ ล, แล้วเนี่ยไม่ต้องพายอะไรมากไปกระแสแ ล, แล้วแค่ควบคุมทิศทางให้ถูกโสดาบันที่ ควบคุมทิศทางที่ที่ไม่ถูกแล้วก็พลาดก็มีนะคือคุณนึ่งกระแสแล้วแต่ว่าทางมันผิดอ่ะก็มีเหมือนกันนะผิดเขียนไปใช่คือไล่ไปไล่ไปสมมติจากกรุงเทพอสมมติคุณตกกระแสมาตั้งแต่ยุธยาอย่างเงี้ยกระแสน้ําเนี่ยตั้งแต่ยุธยาแต่พอไล่มาจนถึงกรุงเทพมันเบี่ยงไปนิดนึงก็อาจจะมีนะที่เราต้องคอยดูทายให้มันตรงไปเรื่อยนั่นคือโซดาปฏิผลล่ะทีนี้เรากำลังพูดถึงโซดาปฏิมาคือจากระหว่างริมฝั่ง แม่น้ําเข้าไปสู่ตรงกลางกระแสที่จะไปถึงทะเล <Okay. S 2> และโซดาปติมากรนี่มีคุณสมบัติอย่างไรหลายผู้ชอพูดถึงคนที่เห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราเนี่ยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเที่ยง <Okay. S 2> ะคนที่เป็นแบบนี้เนี่ยชื่อว่าเป็นโสดาปฏิมากรแล้วอื <Okay. S 2> โสดาปฏิมากรคือคุณกําลังจะเข้าสู่เส้นทางของความเป็นโซดาปฏิผล <Okay. S 2> คุณกําลังรู้แล้วว่าเฮ้มัน มันไม่ค่อยเที่ยงนะเราหาอะไรสิ่งที่มันดีกว่าที่ไม่เที่ยงที่เราเจอเจออยู่นี้ดีกว่าค่ะแต่ยังไม่เจอหรอกแต่คิดว่าจะต้องมาหาแต่ว่ารู้แล้วว่ามันไม่เที่ยงอืมันต้องไปหาต้องไปจากทางนี้ว่ามันเจออันนี้คือประเภทที่เรียกว่าเป็นโซดาปฏิมากร์ละไม่ได้ยากเลยนะคุณเใจไม่ยากเลยยมคิดว่ายมอยู่ตรงนี้แล้วหลายๆคนก็เป็นด้วยซ้ำหรือมางคนจะเฉเลยไปแล้วแต่แต่ว่าเออ คืออย่างน้อยธนาคามีหรือปราหลานก็จะมีความคิดนี้เหมือนกันเจาค่ะค่ะทำได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงแต่อย่างน้อยคุณมีความคิดอย่างนี้เจ้าค่ะทีนี้โซดาปฏิมาเนี่ยบางทีมันมีหลายหลายแบบนะคือบางคนอย่างตัวธรรมาเองอย่างเงี้ยออย่างตัวหลวงพ่อดีกว่าท่านสมัยเด็กเนี่ยท่านมีความคิดว่าอยากจะบวชมาตั้งแต่เด็กมีความศรัทธาในคำสั่งพระเจ้าอย่างเงี้ยเค่ะอันนี้คือเป็นคนประเสริฐเหมือนกันเป็นคนประเสริฐชนิดหนึ่งเหมือนกัน นับถือคําสองพระเจ้ารู้สึกศรัทธ า, อ ย, าอย่างบวชอย่างเงี้ยน ะ, ค, ะคือเป็นพระเจ้าใช้คำว่าศรัทธาวิมุตตินะคือเป็นผู้ที่มีศรัทธาเต็มเปี่ยมเลยแต่อย่างตัวมาเองไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราพยายามที่จะหาความรู้หาข้อเท็จจริงเราจะเป็นประเภทที่ร้ทิฏฐิปัตดนะคือพยายามจะปรับทิฏฐิของตัวเองอันนี้เป็นถ้าจะพูดถึงก็คือว่า มันจะมีหลายประเภทอ่ะคนที่จะมาถึงความสองปริชาได้นะ <Okay. S 2> บางคนพิจารณาร่างกายเห็นร่างกายไม่เที่ยงอันนี้พวกไกยสักขีก็มีออื okay. บางคนเปนเระเภทที่ปัญญาวิมุตติก็คือว่าต้องการหาความรู้ความเรียนอะไรที่มันถูกต้องก็มีเพ <Okay. S 2> ราะฉะนั้นก็มีหลายประเภทที่จะมาเข้าสู่ความถึงกระแสะตรงนี้ได้ใช่ okay. ะหมแล้ว่าคุณจะประเภทไหนก็แต่เถอะจะมีสิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือว่าจะค่อยๆเห็นว่าสิ่งต่างๆรอบตัวมนไม่ค่อยเที่ยง <Okay. S 2> อันนี้ก็จะเหมือนกันตรงนี้ okay. อือเจ่าค่ะอ่าพอเราเห็นสิ่งต่างรอบตัวว่าไม่ค่อยเที่ยงแล้วเนี่ยพู้ดูช่าบอกอย่าเพิ่งตายนะถ้ายังไม่เป็นโสดาปฏิผล <Okay. S 2> เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณยังไม่ได้เป็นโซดาปฏิผลเนี่ยยังเป็นแค่โสดาปฏิมร์อยู่เนี่ยนะสมมุติคุณตายไปเนี่ยชาตินหน้าเกิดมาเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีได้ยินกับสองผู้ชาอีกหรือเปล่าอื okay. คุณจะเกิดมาเป็นอยู่ในภพไหนล่ะเราก็ไม่รู้เค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็ บางทีอาจจะไม่ได้เพื่อนดีๆพามาฟังธรรมและการธรรมารับรู้ตอนนู้นก็ยังมีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจใช่ป<ช><ช>่ะโอ้มันจะมีแต่ความเสี่ยงมากแต่ถ้าคุณเป็นโสดาปฏิผลแล้วนะจะมีความมั่นใจได้อย่างหนึ่งนะว่าจะไม่ไปสู่โรคกำเนิดตัวฉันเปรยวิสัยและเป็นผู้ที่ถึงกระแสเที่ยงแท้ต่อประนิพัน ม, มีการตรัสรุปพร้อมเป็นเบื้องหน้าไม่มีชาติที่8สําหรับโซดาบัลโสดาปฏิผลมี7ชาติเท่านั้นอย่างมากที่สุดชาติคุณจะได้บรรลุเป็นพระอรหัรในชาติที่7 ออาไม่เกิดนี้แลงโสดาบันบางคนก็หนึ่งสองชาติบางคนก็สามสี่ชาติแล้วแต่อเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ได้บรรลุเป็นโซดาปฏิผลเนี่ยคือถ้าเราเป็นโสดาปฏิมาคแล้วเนี่ยแล้วยังไม่ได้บรรลุเป็นโสดาปฏิผลเนี่ยอันนี้คุณมีความเสี่ยงคุณชาบอกว่าอย่าเป็นอย่างนั้นค่ะอย่าพึ่งตายติดป้ายไว้ห้ามตายถ้าคุณมีเห็นว่าอะไรต่างไม่ค่อยเที่ยงนะ เราต้องพยายามที่จะทําให้เป็นโสดาปฏิผลให้ได้ทีนี้จะทําไปถึงตรงนั้นทํำยังไงเจ้าคะทำยังไงพระพุทธเจ้าพูดถึงโสดาปฏิอย่างขั้สี่นะคือองค์ประกอบแห่งความเป็นโสดาบันฑสี่อย่างองค์ประกอบแห่งความเป็นโซดาบัณฑสี่อย่างมีอะไรบ้างนะคะใครที่ประกอบอยู่สี่อย่างนี้แล้วเนี่ยนิ่ง ๆ, ๆคุณเป็นโซดาบัณเจ้าค่ ะ, ะโซดาปฏิผลน ะ, ะ ส, สี่อย่างคืออย่างแรกเราพูดถึงเรื่องศีลก่อนศีลห้ น, นี่แหละ แล <Okay. S 2> นะ <Okay. S 2> เป็นผู้มีเจตนาเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์อยู่เป็นปกติ <Okay. S 2> ฟังอีกครั้งหนึ่งนะเป็นผู้มีเจตนาไม่เอาของที่คนอื่นไม่ให้อยู่เป็นปกติฟังอีกครั้งหนึ่งนะเป็นผู้มีเจตนาไม่ประพฤติผิดในกรรมอยู่เป็นปกติซ้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นผู้มีเจตนาไม่แกล้งกล่าวเท็จให้ผิดต่อโลกอยู่เป็นปกตินะเป็นผู้มีเจตนาไม่ดื่มสุรา ไม่อะไรอันเป็นที่ใต้แห่งความประมาทเนี่ยอยู่เป็นปกติเจค่ะนะสิง ค, คํากุญแจที่อาจรมาต้องเน้นคือเจตนาแล้วก็ปกติเค่ะคุณมีเจตนาอย่างเนี้ยอยู่เป็นปกติเข้าใจนะมีเจตนาอย่างนี้อยู่เป็นปกต<ช>ิเจต น, น, น, นาของคุณนั้นน่ะเป็นเจตนาที่ไม่ด่างไม่ทะลุไม่ปลอ ย, ยค่ะในนี่สีละ่ะคุณมีสีละส่ละศีแปลว่าความเป็นปกติเจตนานะคุณตใจ บางทีทําได้ไม่ทําไม่ได้มันมันอาจจะมีผิดบ้างรุ่เราบอกเราไม่กินเหล้าแต่ลูกน้องนันชงเล่ามาให้สีมันชาเลยจิบค่อยจิบหนึ่งเจค่ะหรือไปงานสังคมอะไรอย่างเงี้ยจําเป็นต้องดื่มอะไรอย่างเงี้ยโวยพรคู่บ่าวสาวเออแต่มาไม่ได้พูดหรอกแต่ว่ามันก็เป็นปกติของเรานะทําให้เป็นปกติว่าเราจะมีเจตนาที่จะไม่ดื่มไม่แน่นอนอ่าเราก็จะเรียกว่าศีลเราไม่ขายไม่ทุลุไม่ดังไม่พร้อยล่ะกเจ้ค่ะเป็นสีลที่เป็นอิสระจากรธนาไม่ถูกที่ติ ไม่ถูกรูปกล้ำด้วยทิฏฐิอันนี้คือถือว่าดีละใช่ค่ะคือบางคนเนี่ยศีลที่ยังเป็นยังไม่เป็นอิสระจากตัณหานี่เช่นอะไรสมมติคุณทําเพื่อที่จะว่าเพื่อที่จะให้มีชื่อเสียงกิติยศอย่างเงี้ยใช่ค่ะคือคุณทําไม่ถูกศีลไม่ถูกระบบอ่ะคือบางคนปฏิบัติศีลเนี่ยเพื่อหวังว่าคนอื่นเขาจะยกย่องเราอืใช่ค่ะใช่อยู่ผลของศีลเนี่ยคือคนอื่นจะยกย่องคุณแต่ว่าศีลเนี่ยไม่ใช่ว่า คุณตั้งใจว่าฉันจะได้รับกันยกย่องฉันจึงปฏิบัติตามศีลอันนี้ยังไม่ถูกระบบนะอศีลเป็นไปเพื่อความไม่ร้อนใจนะถ้าคือบางคนบริจาคซองอย่างเงี้ยช่วงกรถินช่วงอะไรผ่านมาเนี่ยเพื่อหวังว่าเขาจะประกาศชื่อเราอย่างเงี้ยอันนี้คือยังไม่ถูกระบบไงะระบบคือคุณคให้คุณบริจาคเนี่ยเพื่อรัความตระนนีถ้าคุณคิดอย่างเงี้ยถูกระบบออืเพ <ừ> นะราะฉะนั้นศีลที่เป็นอิสระจากตันหาเนี่ยคืออย่างนี้คือให้มันถูกเหตุผลของเขาอ่ะถึงของความเป็นปกติอย่างนี้ นะความเป็นปกนติ5้าอย่างนี้เป็นไปเพื่อความไม่ร้อนใจเป็นไปเพื่อวิชาวิมุติใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราทําแล้วระวังเห็นผลถูกต้องตามระบบนั่นคือเป็นศีลที่เป็นอิสระจากตัณหานะแล้วก็ไม่ถูกรูปคำด้วยทิฏฐิเนี่ยหมายความว่าเราไม่ได้อ่าทิฏฐิคือคือความเห็นที่ไม่ถูกใช่ไหมบางคลคิดว่าต้องอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้ <Okay. S 1> เธอทําอย่างนี้ไม่ได้นะต้องทําอย่างนี้เท่านั้นศีลที่เราปฏิบัติความปกติที่เราปฏิบัติตรงนั้นเนี่ย ยังถูกรูปครร่ด้วยทิฐิอืชอย่างกรณีที่อาตมาพูดถึงว่าดื่มเหล้าอย่างเงี้ยปรากฏว่าลูกน้องเอาผสมชาเอ้ยผสมเหล้ามาให้คิดว่าเป็นชาดื่มก็ไปด่าลูกน้องเละเทะเลยอ่าเจ้ค่ะอ่านี่คือยังถูกรูปคลัมด้วยทิฐิอยู่อืมเจ้ค่ะคื อ, อยังเห็นไม่ถูกต้องว่าบางบางทีมันนิดๆหน่อยๆมันก็อามาไม่ได้มมพูดนะเออมันก็เป็นไปได้อะนะเจ่ะเราให้ปล่อยวางอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าไม่ถูกรูปครั่ด้วยทิฐิ เพราะนั้น <Okay. S 2> เป็นศีลที่เป็นอิสระจากตันหาและไม่ถูกลุ้บคาำด้วยทิฏฐินะมีอีกวักหนึ่งที่พระเจ้าบอกไว้ก็คือเป็นไปเพื่อสมาธินี่สําคัญมากอศีล <Okay. S 2> อันเป็นไปเพื่อสมาธิศีลคือความเป็นปกติห้าอย่างเนี่ยเป็นไปเพื่อสมาธินะเป็นไปเพื่อจิตที่ตั้งมั่นจิตที่สงบจิตที่บาจิตที่สบาย <Okay. S 2> แล้วคุณทําแล้วฟืนทำแล้วแบบจิตใจไม่สบายอันนี้คุณถูกลุ้บคลมด้วยทิฏฐิ <Okay. S 2> คุณยังตกอยู่ในอำนาจของตันหาอ <Okay. S 2> ย่างไม่ใช่โสดาบันละ ไม่ใช่ศีลที่โซดาบันจะต้องมีศีลที่โสดาบันต้องมีนะอันนี้นะอะข้อที่หนึ่งโซดาปฏิัติยังคสี่นะเราพูดถึงโสดาปฏิัติยังแค่สี่องค์ประกอบเห็นความเป็นโซดาบันสี่อย่างยอย่างแรกคือความเป็นปกติห้าอย่างนี้คือมีเจตนาตั้งไว้ห้าอย่างนี้อย่างเป็นปกติก็คือรักษาศีลห้านั่นเองอย่างคร่งครัด อย่างเป็นใช่ไหมเจ้าค่ะมีเจตนาแล้วก็ทําให้มันเป็นปกติอย่เป็นปกติใช่ค่ะอันเป็นศีลไม่ข่าไม่ทุลุไม่ดังไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นอิสระจากตัณหาไม่ถุดรูปความททิฏฐิและเป็นไปเพื่อสมาธิอืมเจ้าค่ะให้มันละเอียดอย่างนี้นะแบบนี้เลยนะเจ้าค่ะเจ๋งมากเลยอประเทศเราเนี่ยจะดีมากเลยคุณเดินใจจะเป็นหนึ่งในอาเซียนโอไม่ต้องพูดอาเซียนแล้วเป็นหนึ่งในโลกเลยเจ้าค่ะอ่าเจ้าค่ะถ้าเรามีคนแบบนียิ่งยืนเจ้าค่ะดีความไม่สายไม่ต้องพูดถึงเจ้าค่ะนาย กระสุนยุทธธจะเป็นกระสุงที่เล็กมากเลยใช่ค่ะต้องตัดสินเยอะใช่ใช่ไม่ต้องเปลืองงบมากเลยอ่ะค่ะนี่คือเรื่องของสินต่อไปข้อที่สองในโสดาปฏิยังกัศีนะคือเรื่องของศรัทธาข้อที่สองสามสี่นี่คือศรัทธาศรัทธาคืออะไรคือความมั่นใจนะศรัทธาอันแรกข้อที่สองสามสี่นะคือสองคือศรัทธาในพระพุทธเจ้าขอภัยพูดผิด ศรัทธาในปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในปัญญาเครื่องตรัสรู <ฮา S 2> ้นะ<ร>าจาพมาบอกว่าศรัทธาในพุทธเจ้าพระมาพูดผิดนะค<ร>่ะพรตมาต้องบอกว่ามีความมั่นใจในปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระพุทธเจ<ร>้าค่ะว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พุทธเจ้าเป็นพระอรันตรัสรูช้ชอบได้ยโยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาไดจากะบลบาบา<ร>ทองได้ทุกคนค่ะอันนี้คือความมั่นใจตรงนี้เค่ะอย่างอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหว อย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวคุณตื่นใจเข้าใช่ไหมเขามากระซิบเขามากระซิบนิด น, นึงอะไร อ, อย่างนี้ไม่ใช่หรอกนี่ผิดแน่นอนคุณหวั่นไหวหรือเปล่าคุณถามตัวคุณเองหลักฐานทางตรงนี้ไม่ได้ถูกหรอกเขาไปเจอหลักฐานใหม่ที่อินเดียเขาไหวอย่างนั้นอย่างนี้คุณหวั่นไหวหรือเปล่าอสองคือศรัทธาอันอย่างคือความมั่นใจที่อย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวนะในพระธรรมนะ<ช>ว่าธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ชอบตรัสไว้ดีแล้วเป็นของดีแล้ว เป็นสิ่งที่ถูกต้องตรงจริงตลอดกาลไม่ประกอบด้วยการเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนท่องไร้ทุกคนธรรมะตรงนี้ก็คือสิ่งที่วิชาตรัสรุน่ <Okay. S 1> นนะี่เรามีความมั่นใจอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวไหมแล้วนะก็ข้อที่สนีะ่ก็คือความศรัทธาคือความมั่นใจอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงค์พระสงค์ในที่นี้คือหมายถึงบุคคลที่ปฏิบัติ คือไม่ใช่หมายถึงตัวบุคคลนะคุณใจหมายถึงการปฏิบัตินะคนสักคนในคนหนึ่งคนใจจะเป็นคนหนาหนาไม่รู้เรื่องอะไรอยู่ๆมาทําตามพระธรรมทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นคนดีขึ้นมาได้นี่นี่คือให้ศรัทธาในการปฏิบัติตรงนี้ตัวอย่างองค์กุลีมานเราให้หมอดูคนไหนนะก็ต้องพยากรณ์ว่าเขาเป็นนรกเจ้ค่ะหมอดูเรียกมาสิบสานักแพยากรตรงการพระองค์กุลิมานต้องเป็นนรกเพราะว่าค่าคนมาตั้งมากกว่าพันคนน่ะเยอะมากจ้ะแต่พระพุทธเจ้า ไปแสดงธรรมใช่ไหม <Okay. S 1> ไปสอนปฏิบัติตามนั้นเป๊ะพุบออกมาเป็นพระสารได้รอด mm. มาได้ยิ่งดูมาดูดาวพยาครามิีหมดเพ <Okay. S 1> ราะนั้นให้มีศรัทธานใน ค, ความมั่นใจในการปฏิบัติชั้นมันหนามันไม่รู้เรื่องเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นคนใดก็ตาม mm hmm. ถ้าคุณปฏิบัติตามนี้นะคุณต้องได้ให้คุณมีความมั่นใจอย่างนี้นะอันนี้คือความมั่นใจชนิดที่อย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวนะ <Okay. S 1> อย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวเป็นยังไงคุณเตือนใจบูญชาคเคยเปรียบเทียบกับเสาหิน เสาหินสมัยก่อนเนี่ยใครเคยเห็นเสาโศกนะเคยเห็นค่ะเสาหินของพระเจ้าโศกเนี่ยนะต้นใหญ่มากแล้วก็กรมสูงมากเลยใช่ในสมัยก่อนทีวิชาพูดถึงเสาอินทขีนเนี่ยคือเสาเหล็กหรือเสาหินทั้งแท่งไม่มีรอยต่อทั้งแท่งเลยนะยาวแปดศอกยาวแปดศอกยาวสิบหกศอกเข้าไปฝังลงไปในดินแปดศอกโผล่ขึ้นพ้นดินแปดศอก นะฝังอย่างดีนะดินนี้ถูกกรบอย่างดีอัดแน่นอย่างดีลึกแปดศอกโผล่ขึ้นพ้นดินแปดศอกเนี่ยลมเหนือใต้ออกตกฝนพักพัดมาเนี่ยไม่สะเทือนไม่สันสะท้านเจ้ค่ะนี่คือให้มั่นคงอย่างนี้อืมเจ้ค่ะนะเขาจะบอกอยังไงเขาจะพูดยังไงคนนี่ทําไม่ได้หรอกคนนั้นทำได้คุณมีความมั่นใจไหมล่ะศรัทธาของคุณเนี่ยอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในปัญญาขึ้นแต่สุุ ป, ปะเจ้าคุณมีความศรัทธามั่นใจอย่างลงไม่มหวั่นไหวในธรรมะหรือเปล่า คุมีสัทธาคือความมั่นใจอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในการปฏิบัติหรือเปล่าเจ้าค่ะอถ้าคุณมีบวกกับศีลนิ่ง ๆ, ๆ, ๆคุณเป็นมีโสดาปฏิยังขั้สีแล้วคือองค์ประกอบแห่งความเป็นโสดาสี่องค์อือเจ้าค่ะคือคุณตรกกระแสแห่งปรินิพพานก็คือมาตรงกระแสที่จะมุ่งสู่ปรินิพพานแล้วใช่คือจะไปทะเลละ่ะเจ้าค่ ะ, ะเข้าสู่กระแสละใช่จุเจ้าค่ะแต่ว่าควบคุมคอยควบคุมทางให้ดีเจ้าค่ ะ, ะนี่คือโสดาปฏิยังขั้สี่เท่านั้นเอง โสตตาปฏิยงคั้สี่เนี่ยยังเป็นเครื่องวัดความศนะรัทธาพระเจ้าพูดถึงศรัท ธ, ธาส ม, มตุติใครสักคนหนึ่งอ่ะจะมีศรัท ธ, ธาในคําสองพระเจ้าเนี่ยจะมีความมั่นใจในคําสองพระเจ้าคุณอะไรมาเป็นบาตรฐานเป็นมาตรฐานจ้าแต่พระเจ้าให้เอาโสตาปติยงคั้สี่เนี่ยเป็นมาตรฐานของความศรัท ธ, ธาจ้านะคือความมั่นใจอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในปัญญาคลื่อนแต่รู้นะมีพระบุรุษพาระธรรมประสงค์นี่แหละจนะาแล้วถ้าเรามีศรัท ธ, ธาตรงนี้เราสบายใจได้เลยนะพร้อมกับศีล นย้ำอีครั้งหนึ่งคือความเจตนานอันอย่างเป็นปกติไม่ขาดไม่ทุรู่ไม่ดังไม่พร้อยเป็นอิสระจากตันหาไม่ถูกรูปกรรมด้วยทิฏฐิเป็นไปเพื่อสมาธิเป็นรายละเอียดที่มีมากเหมือนกันนะคุณเินใจใไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเราต้องคอยเก็บบางทีเราทําไม่ถูกเป๊ะแล้วเราจะหวังผลมันก็ไม่ได้น ะ, ะเราต้องเก็บรายะเอตรงนี้ให้หมดเราก็จะค่อยสบายใจได้ว่าเออเราเป็นผู้ที่เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้า ไม่ไปศูนย์รถกำเนดเดรัจฉานเป็นวิสัย <Okay. S 2> นะไม่มีชาติที่แปอันนี้ <Okay. S 2> เราพูดได้เลยในใช่เราจะรู้อยูุ่กเรื่องในใจอ่ะ <Okay. S 2> ว่าฉันเป็นอย่างนั้นไหม mm hmm. ชาติหน้าฉันจะไปเกิดเป็นนรกไหมดูดีๆแล้วไม่น่าจะใช่ mm hmm. เราสบายใจอยู่นะที <Okay. S 2> ะ่เชียเราศูนย์จเราเบาจ เ, เราสบายเราสบายใจอยู่เนี่ยคุณมั่นใจได้เลยเลยนาะให้มั่นใจว่าเราเราสบายใจอะ่ะ <Okay. S 2> เราเป็นสวดาบัน <Okay. S 2> เป็นพูดถึงกระแส เจ้าค่ะอยู่ในกระแสที่สุพนธิพาแล้วแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเราจะมาเกิดอีกก็คงไม่มีนรลกมนุษย์เลยสารเบปิไสเจ้าค่ะก็เกิดมาในโลกมนุษย์นี่แหละแต่อยู่ในทางที่ดีที่กที่ชอบที่ควรแล้วก็อยู่อีกแค่เจ็ดชาเท่านั้นไม่อย่างมากบางคนปฏิบัติดีปฏิจะชอบก็อาจจะแค่ชาติเดียวสองชาติใก็บรรลุได้นะเจ้าค่ะขึ้นไปน้าแข็งยังละลายได้เจ้าค่ะะดินน้ําไฟลมยังเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้เจ้าค่ะคนยังตายได้ แต่การที่โซดาบันเป็นโซดาบันแล้วจะไปสูตรรถกำเนิดประชาดไปวิสัยเป็นไปไม่ได้เลยเจค่ะไม่มีทางปิดทางนรกเลยแน่นอนสาธุเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ท่านผู้ฟังทางบ้านนี้รับฟังแล้วเนี่ยเชื่อมั่นเลยนะคะว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่รับฟังแล้วคงจะมีกําลังใจอย่างยิ่งเลยที่เราจะปฏิบัติตามที่องค์พระศามาเสด็จเจ้าได้ ได้ส่งสั่งสอนชีแนะไว้และอย่างน้อยที่สุดก็คงจะต้องพยายามก่อนที่จะสิ้นชีวิตไปจากโลกนี้หรือว่าในชีวิตนี้เจ้าค่ะต้องเป็นอย่าเพิ่งตายนะเจ้าค่ะจนกว่าจะเป็นโซดาปฏิผลนะเจ้าค่ะอันนี้โยมก็ขอตั้งตั้งจิตว่าจะต้องทําทุงนั้นให้ได้ก่อนที่จะตายไปนะเจ้าค่ะจะได้เกิดอีกแค่เจ็ชาติอย่างมากที่สุดเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ขอนําทั้งหมดทางบ้านนะคะกล่าว ขอพะคุณพระอาจารย์ไพภูณอภิบุโนเป็นอย่างสูงที่เดียวเจ้าข่าที่ได้เมตตามาสากระฉาในเรื่องที่คิดว่าเป็นควัญเป็นกำลังใจเป็นสิ่งที่แนะที่ถูกต้องให้กับพวกเราไม่ว่าท่านผู้ฟังทางบ้านจะนับถือศาสนาใดอยู่ที่ใดก็ตามคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือผู้ตระโตกมนั้นเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ทุกการเวลาแล้วก็เห็นแจ้งได้ด้วยการปฏิบัติของตัวของตัวเองนะคะข่าเช้าวันนี้ก็คงจะต้องข อ, อนําท่านฟองทางบ้าน กราบน้ำมสกาลขอพระคุณและ ก, ลากา ร, ราบน้ำมกาลาพระอาจารย์ไพภูณพิปุโ น, โน พระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมฤกเลนตามพุทธโอษขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตําบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะมีระพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิโตภาโซเป็นท่านเจ้าอาวาสผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือของสาธุชนโดยทั่วประเทศแล้วก็แม้แต่ในต่างประเทศด้วยรวมทั้งพระอาจารย์พบูลอภิพุโนของเรากันด้วยนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเสาร์อาทิตย์หน้าซึ่งก็คงเป็น เสาอาทิตย์ที่จะเริ่มต้นเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีพุทธศักราช2555แล้วนะคะก็พบกันใหม่ตี 5-5 ครึ่งของเสาอาทิตย์หน้านะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทั้งร่างกายและจิตใจมาเสนอให้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยในรายการธรรมรับรุ้ค่ะสำหรับวันนี้เรามากราบน้ำการลาและกราบน้ำสกา ร, ากาการขอบพระคุณพระอาจารย์เบุญญาิบุโญ เพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณและกลับเป็นมรด ก, การลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเดวานสาธุเจ้าค่ะ